สวัสดีครับสมาชิกชาวครังสยองทุกท่านก่อนอื่นเลยนั้นผมอยากจะเกริ่นก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมได้ประสบพบเจอมากับตัวเองซึ่งโดยนิสัยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเดินป่าอยู่แล้วครับชอบเที่ยวตามน้ำตกชอบเดินป่าชอบไปตามสถานที่ที่ซ่อนอยู่ตามภูเขาที่เข้าถึงได้ยากนะครับเพราะมันจะทาให้ได้บรรยากาศและเข้าถึงธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามารับฟังเรื่องเล่าสยองขวัญเรื่องนี้ไปพร้อมๆเลยครับณนะวันที่ออกเดินทางนั้นก็เหมือนกับทริปก่อนๆที่พวกเราไปกันนั่นแหละครับแต่จุดมุ่งหมายครั้งนี้เนี่ยเป็นน้ําตกแห่งหนึ่งในอาเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีผมก็นัดกับเพื่อนอีก5คนที่ตัวเมืองกาญจนบุรีครับ ก็มีชื่อการชื่อพลอยชื่อฝุ่นชื่อจอร์จแล้วก็ชื่อน้ำพวกเราก็ขับรถกันไปครับมาถึงต้นทางเนี่ยเราก็ฝากรถไว้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในตัวอำเภอจากนั้นก็จัดการหาสเสบียงซึ่งตัวผมเนี่ยก็ได้ทําการไหว้วานผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยหาพรานที่นําทางไปยังน้ําตกแห่งนี้ให้หน่อยอขอโทษครับคุณลุงพอจะมีใครสักคนที่สามารถนําทางพวกเราได้ไหมครับ ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ตอบกลับมาว่าไอ้หนูพวกเองแน่ใจจริงๆนะว่าจะไปที่นี่เนะี่ยผมก็แปลกใจเล็กน้อยครับที่ลุงผู้ใหญ่บ้านแกตอบกลับมาแบบนั้นแต่ถ้าจะให้เรานั้นล้มเลิกแผนการเดินทางนั้นไม่มีทางครับพอเราอุตส่าห์มาถึงที่นี่เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแกเลยแนะนำให้ผมไปหาพรานคนหนึ่งแกมีชื่อว่า พ, าพรานไพร พวกผมเลยออกตามหาพานไพราตามคำแนะนำจนเจอตัวครับและสิ่งแรกเลยผมก็ได้บอกวัตถุประสงค์และจุดหมายที่เราต้องการจะไปพอพานไพรได้ยินแบบนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เขาถามกลับมาเลยก็คือพวกเองมีเหล้ามีเบียมีของมึนเมาติดตัวไปได้วยหรือเปล่าพวกผมก็เลยตอบกลับไปว่ามีครับพรานก็เลยบอกว่าข้าขอบอกก่อนนะว่าข้าจะส่งพวกเองแค่ปากทาง เขาไม่อยากเข้าไปในนั้นพวกผมก็เลยปรึกษากันผลสรุปออกมาก็คือไม่เป็นไรครับพรานอยากส่งแค่ไหนก็ส่งแค่นั้นไม่มีปัญหาแต่ผมก็ขอให้พรานเขาวาดแผนที่คร่าวๆให้หน่อยซึ่งจากระยะทางจากปากทางที่พรานแกจะไปส่งเนี่ยเข้าไปถึงตัวน้ำตกเนี่ยมีระยะทางประมาณ12กิโลเมตรครับหลังจากที่พรานส่งตัวพวกผมที่ปากทางแล้วเนี่ยเวลานั้นก็ประมาณ10โมงเช้าวกว่าๆ ว่าไปพื้นที่แถวเนี่ยมันก็เหมือนป่าทั่วไปนั่นแหละครับคือเป็นสภาพป่าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มีต้นไม้สูงปกคลุมไอการเพื่อนผมเนี่ยมันก็เหลือไปเห็นสารแล้วมันก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกมึงกูว่าเอาของเส้นเจ้าที่หน่อยไหมแล้วค่อยเดินเข้าไปไอจ็อดเพื่อนอีกคนนึงมันก็พูดออกมาว่าเฮ้ยไม่ต้องเสียเวลาหรอกวะนี่ก็จะเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะไปถึงมือซะก่อนผมก็ไม่อะไรมาก เราก็เลยมุ่งหน้านเข้าไปยังตัวน้ำตกบรรยากาศภายในป่าเนี่ยก็จะชื้นๆครับเพราะว่ามันมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นปกคลุมแทบจะไม่เห็นแสงแดดที่ส่องลงมาบนพื้นดินเลยครับพวกผมก็หยุดเติมพลังกันเวลาสักประมาณ4โมงเย็นได้แล้วก็มาถึงน้ำตกครับมันเป็นสถานที่ที่สวยงามมากๆสวยจนพวกเราเนี่ยหายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งเลยสวยเกินคำบรรยายจริงๆครับว่าแล้วพวกเราก็เลยตั้งแคมป์กันข้างๆน้าตกนั่นเลย ส่วนพวกผู้หญิงเขาก็ไปถ่ายรูปเล่นน้ำกันเสร็จแล้วก็มาจัดแจงที่พักผมการกับจอจพวกเราก็นั่งเล่นกีต้าร์แล้วก็จิบเบียร์กันครับบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยมันเกินคำบรรยายจริงๆพวกเราก็นั่งปาร์ตี้กันไปเวลาก็ล่วงเลยเข้าไปประมาณ2ทุ่มพวกผมเนี่ยที่ก่อกองไฟแล้วก็นั่งล้อมวงกันเนี่ยก็สังสรรค์เฮฮากันตามภาษาวัยรุ่นน่ยครับสักพักหนึ่ง พลอยเขาบอกว่าปวดฉี่ผมก็เลยให้ฝุ่นไปเป็นเพื่อนผ่านไปสักพักทั้งสองคนก็เดินกลับมาพอกลับมาเนี่ยฝุ่นก็เป็นปกติครับยังร้องเพลงสังสรรค์กันแต่แปลกที่พลอยครับเพราะหลังจากที่กลับมาจากโทระส่วนตัวเนี่ยเธอก็น่าเงียบไม่พูดไม่จาแล้วก็มีอาการสั่นทั้งๆที่ปกติแล้วเนี่ยเธอเป็นคน่าร่าเริงที่สุดในแก๊งเลยก็ว่าได้ครับผมก็เลยถามเธอออกไปว่า พลอยเป็นไรเปล่าวะเธอไม่ตอบครับเอาแต่นั่งก้มหน้าพวกผมก็หยุดร้องรำทาเพลงกันในทันทีเลยแล้วก็หันไปทางพลอยทั้งสกิดถามทั้งเขยา่าพลอยมันก็ไม่หือไม่เอืออะไรทั้งสิน้นพวกผมก็จนปัญญาไม่รู้จะทํำยังไงแต่ในตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเริ่มจะแปลกๆ แ, แล้วครับผมจึงยกมือไหว้ท่วมหัวแล้วก็เอาสร้อยพระที่ผมคล้องอยู่เนี่ยเอาไปคล้องให้กับพลอย หลังจากนั้นเนี่ยมันก็สลบไปเลยครับพวกเราก็งงสิครับนั่งมองกันหน้าเอ๋อเลยพวกผมก็เลยพาพลอยมันเข้าไปนอนในเต็นท์เพราะสงสัยว่ามันน่าจะไข้ขึ้นหลังจากนั้นก็ออกมาสังสรรค์กันต่อจนเวลาล่วงเลยไปประมาณห้าทุ่มพวกเราก็จะเข้านอนกันครับแต่ในตอนนั้นเนี่ยไอ้จอร์ดมันบังเอิญหันไปเห็นตรงทางเดินที่เราเดินเข้ามามันเห็นเป็นผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งอุ้มลูกอยู่ แล้วก็เดินฝ่าความมืดทะลุกออกมามันก็เลยถามไปว่าอ้าวนะจะไปไหนแล้วครับนั่นพวกผมทั้งหมดก็เลยหันตามไปมองแล้วนะคนนั้นแ ก, กก็พูดขึ้นมาว่าลูกน้ำมาสบะจะพาไปหาหมอในหมู่บ้านพูดเป็นภาษาออกแนวภาษาตะเรียงนะครับซึ่งพวกเราก็จับใจความได้ประมาณว่าลูกน้ำไม่สบายจะพาไปหาหมอในหมู่บ้านอะไรประมาณนี้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยผมก็เอกใจแล้วนะครับ วันนี้มันก็ห้าทุ่มแล้วแล้วเขาก็เดินออกมาทางทางัทง้งที่ทางมันมืมมมดๆอย่างนั้นมันชักจะ แ, แปลกๆและไอ้ํามันก็หันมาบอกผมว่าเออหนะ่าไม่ต้องคิดมากหรอกเขาเป็นคนในพื้นที่เขาเข้าออกประจํามึงไม่ต้องไปเสือกอยากรู้เรื่องเขาหรอกหลังจากนั้นนําคนนั้นก็เดินหายกลับเข้าไปในความมืดตรงทางที่จะออกไปยังหมู่บ้านนะครับพวกผมก็เลยช่วยกันเก็บข้าวเก็บของจะเข้านอนเวลาตอนนั้นก็ประมาณเที่ยงคืนแล้ว พวกผมกางเต็นท์นอนเต็นท์เดียวนะครับนอนรวมกันทั้งห้าคนเลยพอนอนไปได้สักพักเนี่ยยังไม่ทันจะหลับดีเลยด้วยซ้ําผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกาลังเดินอยู่นอกเต็นท์ผมก็เลยหันไปสะกิดฝุ่นเฮ้ยฝุ่นมึงได้ยินปะเท่านั้นแหละครับไอ้ฝุ่นมันเอามือตบหน้าผมอย่างแรงเลยแล้วมันก็บอกผมมาว่ามึงเงียบปากไปเลยได้ยินเสียงอะไรแปล ก, ปกโบราณเขาห้ามทักมึงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอ ไอผมก็โมโหสิครับอ๋อก็คนมันได้ยินแล้วจะให้ทํำยังไงแต่พักหนึ่งผ่านไปเสียงนั้นก็เงียบไปครับแต่มันก็ยังไม่จบแค่นั้นเวลาล่วงเลยไปตีหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงนกหวีดเววเววดังลอยมาตามลมแล้วก็ตามด้วยเสียงฝีเท้าของคนหลายๆลายคนย่ำอยู่กับที่ผมก็พยายามข่มตาให้หลับด้วยความกลัวสักพักหนึ่งเหมือนมีใครไม่รู้มาเขย่าเต็นท์อย่างแรงเลยครับตอนนั้นผมทนไม่ไหวละ ก็เลยหันไปถามไอ้ฝุ่นมนอีกทีเฮ้ย <Hey, S 1> มึงได้ยินเหมืนอนที่กูได้ยินไหมเนี่ยคราวนี้ไอ้ฝุ่นมันสั่นเลยครับเหงื่อแตกเต็มตัวไปหมดเลยแล้วมันก็บอกผมว่ากูได้ยินทุกอย่างเลยกูหลับไม่ลงเลยเนี่ยในตอนนั้นทุกคนก็ตื่นขึ้นมากันหมดเลยครับยกเว้นพลอยเราก็มานั่งล้อมวงกันอยู่ในเต็นท์ปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงดีเสียงคนก็ยังดังเววเววอยู่ในหูอตลอดเวลามันก็หลอนเลครับอย่างนี้ สักพักหนึ่งเนี่ยก็มีเสียงผู้ชายวัยกลางคนมันดังออกมาจากนอกเต็นท์ครับพวกมึงไม่รอดกันหมดหรอกต้องมีใครสักคนต้องตายทําอะไรเอาไว้พวกมึงต้องตายพวกผมกลัวกสุดขีดเลยครับตอนนั้นมือไม้สั่นไปหมดทําอะไรไม่ถูกฝุ่นกับน้ําก็าแต่ร้องไห้เพราะความกลัวผมไอจ้จอชในการก็ได้แต่สวดมนต์ภาวนา บทสวดทุกบทสวดเท่าที่เราจะจำได้ตอนที่พี่เข้าค่ายธรรมะเพื่อแล้วก็งัดออกมาสวดกันจนหมดใครมีพระมีองค์ก็ควักออกมาพนมขึ้นเหนือหัวจนเหมือนเสียงทุกอย่างจะเงียบสงบไปจนถูกแทนที่ด้วยเสียงที่เงียบสงดและมีเพียงเสียงน้ำตกโดยรอบเท่านั้นที่ดังมาเบาๆจากนั้นผมก็ภาพตัดไปเลยครับหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้เหตุการณ์ทั้งหมดก็จาได้เพียงแค่เท่านั้น เช้าวันรุ่งขึ้น7จ็ดโมงฟ้าเริ่มสว่างไอการเข้ามาปลุกผมให้ไปล้างหน้าล้างตาแล้วเรียกทุกคนมานั่งล้อมวงกันเพื่อพูดคุยในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เริ่มที่พลอยครับมันตื่นคนแรกมันก็เล่าว่ากูจําได้แค่ตอนที่กูปวดฉี่กูเลยชวนไอฝุ่นไปแต่ตอนที่กูทำธุระอยู่เนี่ยกูมองขึ้นไปเหนือน้ําตกเลยมันเห็นเป็นเหมือนผู้ชายวัยรุ่นแต่งตัวเหมือนกับชาวกะเหรี่ยงเนี่ย มันจ้องตากูอยู่จ้องตาเป็นมันเลยแล้วตามันเนี่ยก็แดงเถือกมันสีเลือดแล้วมันก็ยื่นมือมารูปหน้ากูจากนั้นกูจําอะไรไม่ได้อีกเลยพวกผมได้ยินอย่างนั้นก็งงเลยสิครับงงมากจนทําอะไรไม่ถูกหลังจากอั้มอึ้งกันอยู่พักใหญ่เลยตัดสินใจการอาบน้ําและทําธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยและเก็บข้าวเก็บของเพื่อจะกลับไปยังหมู่บ้านเราเดินทางมาถึงปากทางเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆพวกผมก็ได้ใช้น้ํา แล้วก็ข้าวของที่เหลือที่ยังไม่ได้ใช้จากการไปเข้าแคมป์มาเนี่ยเอามาเส้นสารที่อยู่ตรงปากทางครับพวกเรากราบขอขมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินและทำผิดพลาดไปและในขณะที่พวกเรากลาลังเดินจะเข้าไปในหมู่บ้านนั้นฝุ่นมันก็บอกว่าปวดหัวหายใจไม่ค่อยสะดวกเหมือนว่าไข้จะขึ้นพวกเราเลยพากันไปที่อนามัยประจาหมู่บ้านเพื่อที่จะขอยากินแก้ขัดไปก่อนผมอาสาที่จะเดินเข้าไปในอนามัยเพื่อไปเอายา ในขณะที่กําลังรอยาอยู่นั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาถามพนักงานที่จะจ่ายยาให้กับผมว่าศพแม่ลูกที่ตายเมื่อวานเนี่ยพี่จะฝากไปกับรถเลยไหมผมใจหายวูบเลยครับในตอนนั้นจึงขอพยาบาลเข้าไปดูหน้าศพหน่อยได้ไหมแล้วเขาก็ถามว่าน้องเป็นญาติกับผู้เสียชีวิตหรือเปล่าผมก็บอกว่าผมไม่ได้เป็นแต่ผมก็เล่าเหตุการณ์เรื่องที่เจอเมื่อคืนให้กับพยาบาลฟังเขาจึงยอมเปิดหน้าศพให้ผมดู พอเปิดมาเท่านั้นแหละครับผมสุดเลยตะลึงแล้วก็พูดอะไรไม่ออกพี่เขาเลยไปตามเพื่อนๆผมให้มาช่วยดูผมแล้วพอเพื่อนๆผมมาเห็นใบหน้าของศพเนี่ยก็ยิ่งตะลึงเข้าไปใหญ่เลยครับพากันช็อกไปหมดทุกคนเลยเพราะใบหน้าของศพที่นอนอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยมันคือคนคนเดียวกับที่เราเจอเมื่อคืนที่ลักษณะเหมือนกับชาวกระเหลี่ยงนะครับคนเดียวกันเลยเป๊ะเลยพลอยเลยเข้ามาพยุงผมให้ออกไปด้านนอก แล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นฝุ่นจึงเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยให้กับพลอยฟังพวกผมตัดสินใจกันจะกลับให้เร็วที่สุดเลยครับไม่อยากจะอยู่แล้วขณะไปเอารถเนี่ยก็มีลุงแก่แกถอดเสื้อสักยันเต็มตัวเลยครับแกเดินเข้ามาหาพวกผมแล้วแกก็ถามว่าพวกเองเป็นคนกรุงเหรอเข้าไปที่บองสนดเบียงมาน่รสิผมได้ยินแกพูดแบบนั้นก็งงแกจึงชวนพวกผมเนี่ย ให้ไปพักกินน้ำกินท่าที่บ้านของแกก่อนแล้วแกจะเล่าเรื่องทั้งหมดให้พวกเราฟังสมัยก่อนนะ่ะนะมันจะมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งอ่ะอยู่ในป่าลึกที่พวกเองเข้าไปนั่นแหละหมู่บ้านเนี่ยมีชื่อว่าโละถึงคนในหมู่บ้านเนี่ยพากันล้มตายกันหมดเลยเพราะสารตะกั่วที่มันปะปนมาในลานําธารและเขาก็ดื่มกินเข้าไปไม่รู้คนปา่าคนดอยก็เลยตายกันยกหมู่บ้านเลยชาวบ้านแถวนั้นอ่ะ ก็เลยให้สมญาณนามแถวนั้นว่าบองสนดเบียงมันเป็นภาษาเกรียงมันแปลว่าพื้นที่ชุมนุ่มผีมันไม่มีใครอยากเข้าไปข้างในนั้นหรอกไอตัวพานไพเองยังไม่อยากจะเข้าไปเลยมันไม่กล้าอ้ยเรื่องเล่าขานมันมีมากมายและเกินสมัยพ่อลุงเนี่ยตรงนั้นน่ะมันเคยเป็นค่ายทหารเถื่อนสู้รบฆ่าฟันกันแลมเดือนตายกันมากมายกายกองไปรู้กี่ศพต่อกี่ศพ พอพวกผมได้ยิงแบบนั้นก็ตะลึงกันเลยครับหลังจากนั้นก็ลาคุณลุงแล้วขอตัวกลับมาที่กรุงเทพพวกเรานัดทำบุญกันยกใหญ่เลยครับจะเรียกว่าเดินสายทำบุญกันเลยก็ว่าได้เรื่องราวที่ผมเล่ามานี้สิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนก็คือเวลาที่เราไปเที่ยวต่างบ้านต่างเมืองเที่ยวเขาเที่ยวดอยหรือสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยก็เตรียมเครื่องเส้นไหวเ้เจ้าที่เจ้าทางไว้พร้อมสักนิดเถอะครับมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเลย เจอสารเจ้าสารอะไรก็ตามก็ยกมือไหว้ขอเข้ามาสักหน่อยมันก็ไม่เสียหายเรื่องเล่าเบียร์สิ่งของมึนเมาก่อนกินก็เส้นเจ้าที่ทสัก 2- อสาฝาแล้วค่อยลาออกมากินก็ยังได้สิ่งเหนือธรรมชาติมันมีอยู่มากมายเหลือเกินครับสิ่งที่เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ควรเคารพ บ, บูชาไม่ใช่ว่าเห็นเป็นเรื่องที่เสียเวลาขอขอบคุณทุกท่านที่ฟังจนจบนะครับไว้คราวหน้าถ้าผมมีประสบการณ์แบบนี้อีก ก็จะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังครั้งหนึ่งครับขอขอบคุณที่มาเรื่องเล่าจากเว็บพันทิป c o m ขอขอบคุณมาณฑที่นี้ด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ